มันเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นบาอนไม่ได้เป็นสตางค์ไม่เห็นไม่ดีไม่ได้ชัว่วในตัวมันเองต้นแบบคติธรรมโบราณนะครับว่าการที่เราได้พบปกันในห้องประุมนี้คติโบราณที่เชื่อกันก็คือกี้อาจะเป็นครั้งอดีตแต่ปางหลังเราเคยทําบุญร่วมกันไว้เมื่อเช่นั้นทำามจะต้องพบกัน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 เรากำลังพูดอยู่ข้างในและในความคิดนั้นก็คือมีมโนภาพครับปรากฏขึ้นเราคิดเป็นสิ่งๆล อ, อยก็คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะคิดถึงทุกสิ่งไม่ได้ครับไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองปฏิบัติ ด, ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เลยไ ม, ไม่มีสักอย่างเดียวเมื่อจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิใดมโนมภาพสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นแล้วมันจอใจของมนุษย์มีสิ่งมหา ร, รย์ในการเนรมิตขึ้นสิ่งที่เราคิดขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดมนะครับเป็นเรื่องของอดีตถูกเนรมิตขึ้นใหม่แล้ววิถีชีวิตที่ขึ้นกว่ความคิด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 เราเข้าไปในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งโศกทั้งอารมณ์ดีใจและเสียใจเราจะเพลินไปกับเนื้อเรื่องเหล่านั้นในภาพยนตร์แต่สมมติว่าเราเรียนท่าทีของการดูภาพยนตร์นะครับแทนที่จะดูเอภาพยนตร์เอาเนื้อเรื่องเอาอารมณ์ตามท้องเรื่องเราการเป็นนักสำรวจ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 ซึ่งตรงข้ามกับการทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือการถอนตนจากความคิดก็ อ, อาจจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าและเราเดําดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้คำหมาย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 สติไม่ใช่ตัวเละาเลยเป็นเพียงตัวการที่นำเราเชิญกับความจริงเท้งนั้นส่วนตัวล่ามันอีกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการลังเลในข้อแนะนำผมนะครับผมจะยกพุทธภาษิตขึ้นมาสำทัพไม่ใช่เพื่ออุดพูงนะครับจริงพุทธภาษิตเหล่านั้นล้วแล้วจะมีมิติที่ลุ่มลึกตีความได้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหรือที่สุดก็ได้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 ตัวตนมีอยู่หรือไม่มีอยู่จะพูดได้มันมีมันก็มีขึ้นนะครับเรื่องไม่มีนะครับเราพูดได้มีก็มีขึ้นครับด้านความชั่วก็นเนิดเราอยากให้มีเราก็พูดไม่เข้าเดี๋ยวก็มีขึ้นดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในความคิดเป็นแสงสะท้อนครับเพราะตัวความคิดเองนั้นคือภาพสะท้อนโลกของความคิดเป็นโลกซึ่งปรงแต่งขึ้นจากน้ามือ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 เขาก็นำไปฝังครับตัวสุนัข ก, ก็กุดคุยฝังแต่ผมสังเกตดูเขาลืมไปวันสองวันเขาเขาลืมมันก็ทําอะไรแต่มีวันหนึ่งขณะที่นอนนอนอยู่เขาสะดุ้งเขางอกหัว ข, ขึ้นมาผมนั่งก้างๆในเนื้อกอกเขาต้องคิดอะไรออกแล้วแล้วเขาวิ่งจองที่ตรงนั้นที่เขาฝังกระดูกคุยขึ้นมาแล้วกินมันแสดงเขาเพิ่ง น, นึกออกครับความคิดนั่นเองปรากฏขึ้นในจิตของเขา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 สติทำให้ละกิเลสลาขะโทสะโมหะหรือบางคนนัดอธิบายขยายว่าถึงขนาดละอาสวะได้ด้วยแต่ทั้งไม่ตรงตามที่เป็นจริงครับสติในความหมายคำใหารู้ตัวนั้นมีความหมายหลายซับหลายซ้อนพระองตรงต่ ว, ว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวนหาได้ไม่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 ผมติดตันเงินปัญหานี้นานปีว่ากครับนานนับสิบปีครับเป็นสิบสิบได้ครับไม่ใช่วันสอวันกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับก็เล่นน้นเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยากมากครับการคลี่คลายสถานการณ์นั้นผมเพิ่งมารู้ด้วยตัวผมตัวเองนะครับว่าที่พ่อได้วู ต, วตัวเองนี่หมายว่าไม่มีใครมาแนะนําอีกนะครับก็คือ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 ฉะนั้นกระบวนการความจำํำเราจรึงย้อนอดีตเพราะวัคภวงแต่อารมณ์ที่เคยลิ้มเคยลองแล้วย้อนมากลายเป็นความหวาดกลัวที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดูตัวอย่างเช่งนเป็นเรื่องความตายที่จริงผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้กลัวตายถูกอาจะกลัวเจ็บหรือกลัวผลสิบเนื่องในความตาย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 สบการณ์นี้ถ้าสมมติมีดบาดในขณะที่มีดเฉือนไปในนี้ตอนนั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเมื่อเราถูกเชิญให้ขึ้นพูดในที่ประชุมก่อนขึ้นนะครับกลัวมากๆแต่ตอนอ้าปากพูดแล้วก็เดินจะหายไปความกลัวมีเรื่องําขัญว่าอัลลัมลินคก่อนขึ้นพูดซึ่งเขาเป็นนักพูดตัวเองครับ ขอให้สัมาัสมก่อนจะพูดผมกลัวแทบตายเลยนะแต่พออาวาพูดตายก็ไม่กลัวแลนะ้วการเช่นนี้ครับคือเรามีการคาดเดาไปล่วงหน้าอันนี้มาจากประสบการณ์ของความทรงจําของอดีตดึงวันวิถีชีวิตของเราอยู่ตรงนี้วิถีชีวิตของเร า, ารเป็นการวิถีแห่งการคาดเดาไปโดยปริยายเป็นวิถีแห่งความตรึกนึก